จากกะนิเทศบรรดาญาณวัถุหมวดละห้านั้นสัมมาสมาธิมีองค์ห้าเป็นไฉนปัญญาที่แผ่ปิติไปปัญญาที่แผ่สุขไปปัญญาที่แผ่ฉีดไปปัญญาที่แผ่แสงสว่างไปและปัจเจเวขณะนิมิตปัจเจเวกขณญาณปัญญาในฌานสองชื่อว่าปัญญาที่แผ่ปิติไปปัญญาในฌานสาชื่อว่าปัญญาที่แผ่สุขไป ญาณในการกําหนดรู้จิต ข, ของผู้อื่นชื่อว่าปัญญาที่แผ่จิตไปทิพยจักสุขชื่อว่าปัญญาที่แผ่แสงสว่างไปปัจจเวขณะญาณของโยคาวจรบุคคลผู้ออกจากสมาธินั้นๆชื่อว่าปัจเจเวขณะนิมิตนี้เรียกว่าสัมมาสมาธิมีองค์ห้าสัมมาสมาธิมีญาณห้าเป็นไนญาณเกิดขึ้นเฉพาะตนว่าสมาธินี้มีสุขในปัจจุบัน และมีสุขเป็นวิบากในอนาคตยานเกิดขึ้นเฉพาะตนว่าสมาธินี้ไกลาจากกิเลสหาอามิตรมิได้ยานเกิดขึ้นเฉพาะตนว่าสมาธินี้อันบุรุษผู้มีปัญญาสามเสร็จไม่ได้ยานเกิดขึ้นเฉพาะตนว่าสมาธินี้สงบปราณีตได้ความสงบระงับได้บรรลุแล้วโดวยความเป็นธรรมเอกผุดขึ้นและไม่ได้บรรลุโ ด, ดยการข่มนิวรห้ามกิเลสด้วยจิตที่เป็นสะสังขาริก อย่างเกิดขึ้นเฉพาะตนว่าก็เรานั้นแหลมีสติเข้าสมาธินี้มีสติออกจากสมาธินี้นี้เรียกว่าสัมมาสมาธิมีญาณห้าญาณวัตถุหมวดละห้ามีด้วยประการฉน้ปัญจกะนิเทศจบหกากะนิเทศปัญดายาณวัตถุหมวดหกนั้นปัญญาเนพิญญาหกเป็นไนปัญญาแนพิญญาหกคือ 1. อิทธิวิทยานความรู้ที่ทำให้แสดงฤทธิ์ต่างๆได้ 2. สโสตธาตุ ว, วิสุทธิยานความรู้ที่ทำให้มีหูทิพย์ปราชิตยานความรู้ที่ทำให้รู้ใจผู้อื่น 4. ปุเพนิวาสานุสติยานความรู้ที่ทำให้ระลึกชาติได้ 5. จุตูปะปาตยานความรู้การจุติและเกิด 6. อาสวะขยะยาน ความรู้ที่ทําให้อาสวะสิ้นไปเหล่านี้ชื่อว่าปัญญาในอภิญญาหกยาณวัตถุหมดละหกมีด้วยประการศนีิ7สัตตะนิเทศในยาณวัตถุหมดละเจ็ดนั้นญาณวัตถุเจ็ดสิบเจ็ดเป็นไนความรู้ว่าเพราะชาติเป็นปัจจัยชรามรณะจึงมีเมื่อชาติไม่มีก็รู้ว่าชรามรณะไม่มี <mister ius> แม้ในอดีตการความรู้ว่าเพราะชาติเป็นปัจจัยชรามรณะจึงมีเมื่อชาติไม่มีก็รู้ว่าชรามรณะไม่มีแม <ten> ้ในอนาคตการความรู um: smallest, ้ว um: ่าเพราะชาติเป็นปัจจัยชรามรณะจึงมีเมื่อชาติไม่มีก็รู้ว่าชรามรณะไม่มีความรู้ว่าแม้ธรรมติติยานของบุคคลนั้นก็มีความสิ้นไปเป็นธรรมดามีความเสื่อมไปเป็นธรรมดา มีความคลายไปเป็นธรรมดามีความดับไปเป็นธรรมดาความรู้ว่าเพราะพบเป็นปัจจัยชาจึงมีความรู้ว่าเพราะอุปาทานเป็นปัจจัยพบจึงมีความรู้ว่าเพราะตัณหาเป็นปัจจัยอุปาทานจึงมีความรู้ว่าเพราะเวทนาเป็นปัจจัยตัณหาจึงมีความรู้ว่าเพราะภัษจะเป็นปัจจัยเวทนาจึงมีความรู้ว่า เพราะสลายตนะเป็นปัจจัยผัสสะจึงมีความรู้ว่าเพราะนามรูปเป็นปัจจัยสลายตนะจึงมีความรู้ว่าเพราะวิญญาณเป็นปัจจัยนามรูปจึงมีความรู้ว่าเพราะสังขารเป็นปัจจัยวิญญาณจึงมีความรู้ว่าเพราะอวิชชาเป็นปัจจัยสังขารจึงมีเมื่ออวิชชาไม่มีก็รู้ว่าสังขารไม่มีแม้ในอดีตการความรู้ว่า เพราะอาวิชชาเป็นปัจจัยสังขารจึงมีความรู้ว่าเมื่ออวิชชาไม่มีสังขารก็ไม่มีแม้ในอนาคตการความรู้ว่าเพราะอาวิชชาเป็นปัจจัยสังขารจึงมีความรู้ว่าเมื่ออวิชชาไม่มีก็รู้ว่าสังขารไม่มีความรู้ว่าแม้ธรรมทิตฐิยางของบุคคล น, นั้นก็มีความสิ้นไปเป็นธรรมดามีความเสื่อมไปเป็นธรรมดามีความคลายไปเป็นธรรมดา มีความดับไปเป็นธรรมดาเหล่านี้ชื่อว่าญาณวัตถุ77ญาณวัตถุหมวดละเจ็ดมีด้วยประการฉนิ8อัตกะนิเทศบรรดาญาณวัตถุหมวดละแปดนั้นปัญญาใิมรสีผลสีเป็นไนปัญญาในมรสีผลสีคือ 1. ปัญญาในโสดาปฏิมร 2. ปัญญาในโสดาปฏิผล สปัญญาในสกะธาคามิมักสีปัญญาในสกทาคามิผลหปัญญาในอนาคามิมักหกปัญญาในอนาคามิผล 7. ปัญญาในอรหัตมักแปปัญญาในอรหัตผลเหล่านี้ชื่อว่าปัญญานิมักสี่ผลสญาณวัตถุหมดละ8มีด้วยประการชนิสิบนวกะนิเทศ บัราญาณวัตถุหมวดละเก้านั้นปัญญาในอนุปุภะวิหารสมาบัติ9เป็นชนไหนปัญญาในอนุปุภะวิหารสมาบัติ9้าคือ 1. ปัญญาในปฐมชานสมาบัติ 2. ปัญญาในทุติยชะชานสมาบัติ 3. ปัญญาในตติยชะชานสมาบัติ 4. ปัญญาในเจตุทะชานสมาบัติ 5. ปัญญาในอาการสาญจายตนะสมาบัติ หปัญญาในวิญญาณัญจายตนะสมาบัติ 7. ปัญญาในอาเคีนยนัญญายตนะสมาบัติ 8. ปัญญาในเนวสัญญานาสัญญายตนะสมาบัติ 9. ป้าจเวิขณะญาณโงโยคาวจรบุคคลผู้ออกจากสัญญาเวทยิตนิโรธสมาบัติเหล่านี้ชื่อว่าปัญญาในอนุปุพผะวิหารสมาบัติ9ญาณวัตุหมดละ9มีด้วยประการฉนิ สิทศสกานิเทศหนึ่งฐานาฐานญาณปริชาอย่างรู้ฐานะและอัานะบรรดาญาณวัตถุมวลิทธิ์นั้นพระตถาคตทรงทราบธรรมที่เป็นฐานะโดยความเป็นฐานะและธรรมที่ไม่เป็นฐานะโดยความไม่เป็นฐานะตามความเป็นจริงเป็นไฉนพระตถาคตในโลกนี้ทรงทราบว่าข้อที่บุคคลผู้โสดาบันถึงพร้อมด้วยมรรคทิฏฐิ จะพึงยึดถือสังขารอะไรอะไรโดยความเป็นสภาวะที่เที่ยงนี้ไม่ใช่ฐานะไม่ใช่โอกาสที่จะมีได้พระองค์ทรงทราบว่าข้อที่ปุถุชนจะพึงยึดถือสังขารอะไรอะไรโดยความเป็นสภาวะที่เที่ยงนี้แหละเป็นฐานะที่มีได้เป็นได้พระธถาคตในโลกนี้ทรงทราบว่าข้อที่บุคคลผู้โสดาบันถึงพร้อมด้วยมรรคติทิฐิ จะพึงยึดถือสังขารอะไรอะไรโดยความเป็นสภาวะที่เป็นสุขนี้ไม่ใช่ฐานะไม่ใช่โอกาสที่จะมีได้พระองค์ทรงทราบว่าข้อที่ปุถุชนจะพึงยึดถือสังขารอะไรอะไรโดยความเป็นสภาวะที่เป็นสุขนี้แหละเป็นฐานะที่มีได้เป็นได้พระธถาคตเนโลกนี้ทรงทราบว่าข้อที่บุคคลผู้โสดาบันถึงพร้อมด้วยมคคติจะพึงยึดถือทำอะไรอะไร โดยความเป็นสภาวะที่เป็นตัวตนนี้ไม่ใช่ฐานะไม่ใช่โอกาสที่จะมีได้พระองค์ทรงทราบว่าข้อที่ปุ้ทุชนจะพึงยึดถือทำอะไรอะไรโดยความเป็นสภาวะที่เป็นตัวตนนี้แหละเป็นฐานะที่มีได้เป็นได้พระธถาคตในโลกนี้ทรงทราบว่าข้อที่บุคคลผู้โสดาบันถึงพร้อมด้วยมัคคติฐิจะพึงฆ่ามารดา นี้ไม่ใช่ฐานะไม่ใช่โอกาสที่จะมีได้พระองค์ทรงทราบว่าข้อที่ปุถุชนจะพึงฆ่ามารดานี้แลเป็นฐานะที่มีได้เป็นได้พระตถาคตในโลกนี้ทรงทราบว่าข้อที่บุคคลผู้โสดาบันถึงพร้อมด้วยมรรคทิฐิจะพึงฆ่าบิดาและถึงฆ่าพระอรหันต์มีจิตคิดประชุสร้ายทำพระโลหิตของพระตถาคตให้ห่อขึ้นทำสงให้แตกกัน นับถือาศาสดาอื่นบังเกิดในภพที่แปดนี้ไม่ใช่ฐานะไม่ใช่โอกาสที่จะมีได้พระองค์ทรงทราบว่าข้อที่ปุทุชนจะพึงบังเกิดในภพที่แปดนี้แหละเป็นฐานะที่มีได้เป็นได้พระตถาคตในโลกนี้ทรงทราบว่าข้อที่พระอาหารหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าสองพระองค์จะพึงอุบัติขึ้นพร้อมๆกันในโลกธาตุอันเดียวกัน นี้ไม่ใช่ฐานะไม่ใช่โอกาสที่จะมีได้พระองค์ทรงทราบว่าข้อที่พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าจะพึงอุบัติขึ้นพระองค์เดียวในโลกาธาตุเดียวนี้แหละเป็นฐานะที่มีได้เป็นได้พระตถามคดในโลกนี้ทรงทราบว่าข้อที่พระเจ้าจักรพรรดสององค์จะพึงอุบัติขึ้นพร้อมๆกันในโลกาธาตุอันเดียวกันนี้ไม่ใช่ฐานะไม่ใช่โอกาสที่จะมีได้ พระองค์ทรงทราบว่าข้อที่พระเจ้าจากักรพรรดิจะพึงอุบัติขึ้นพระองค์เดียวในโลกธาตุเดียวนี้แหละเป็นฐานะที่มีได้เป็นได้พระทถาคตในโลกนี้ทรงทราบว่าข้อที่สตรีจะพึงเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้านี้ไม่ใช่ฐานะไม่ใช่โอกาสที่จะมีได้พระองค์ทรงทราบว่าข้อที่บุรุษจะพึงเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ นี้แหละเป็นฐานะที่มีได้เป็นได้พร ะ, พระตถาคตในโลกนี้ทรงทราบว่าข้อที่สตรีจะพึงเป็นพระเจ้าจักรพรรดินี้ไม่ใช่ฐานะไม่ใช่โอกาสที่จะมีได้พระองค์ทรงทราบว่าข้อที่บุรุษจะพึงเป็นพระเจ้าจักรพรรดินี้แหละเป็นฐานะที่มีได้เป็นได้พระตถาคตในโลกนี้ทรงทราบว่าข้อที่สตรีจะพึงเกิดเป็นพระอินทร์เป็นมารเป็นพรม นี้ไม่ใช่ฐ า, า, า น, น, น, น, น, าไนไะไม่ใช่โอกาสที่จะมีได้พระองค์ทรงทราบว่าข้อที่บุรุษจะพึงเกิดเป็นพระอินทร์เป็นมารเป็นพรมนี้และเป็นฐานะที่มีได้เป็นได้พระทถาคตในโลกนี้ทรงทราบว่าข้อที่กายทุจริตจะพึงเกิดผลที่น่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจนี้ไม่ใช่ฐานะไม่ใช่โอกาสที่จะมีได้พระองค์ทรงทราบว่า ข้อที่กายทุจริตจะพึงเกิดผลที่ไม่น่าปรารถนาไม่น่าใคร่ไม่น่าพอใจนี้แหละเป็นฐานะที่มีได้เป็นได้พระตถาคตในโลกนี้ทรงทราบว่าข้อที่วจีทุจริตและถึงมนุทุจริตจะพึงเกิดผลที่น่าป ร, รารถนาน่าใคร่น่าพอใจนี้ไม่ใช่ฐานะไม่ใช่โอกาสที่จะมีได้พระองค์ทรงทราบว่าข้อที่วจีทุจริตมนทุจริต จะพึง응เกิดผลที่ hm ies, no ไม่น่าปรารถนาไม่น่าใคร่ Trump, ไม่น่าพอใจนี้แหละเป็นฐานะที่มีได้เป็นได้พระตถาคตในโลกนี้ทรงทราบว่าข้อที่กายสุจริตจะพึงเกิดผลที่ไม่น่าปรารถนาไม่น่าใคร่ไม่น่าพอใจนี้ไม่ใช่ฐานะไม่ใช่โอกาสที่จะมีได้พระองค์ทรงทราบว่าข้อที่กายสุจริตจะพึงเกิดผลที่น่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจนี้แหละ เป็นฐานะที่มีได้เป็นได้พระทถาคตในโลกนี้ทรงทราบว่าข้อที่วจีสุจริตและถึงมนุสสุจริตจะพึงเกิดผลที่ไม่น่าปรารถนาไม่น่าใคร่ไม่น่าพอใจนี้ไม่ใช่ฐานะไม่ใช่โอกาสที่จะมีได้พระองค์ทรงทราบว่าข้อที่วจีสุจริตมนูสสุจริตจะพึงเกิดผลที่น่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจ นี้แหละเป็นฐานะที่มีได้เป็นได้พระตถาคตในโลกนี้ทรงทราบว่าข้อที่บุคคลผู้มีความพรั่งพร้อมด้วยกายทุจริตหลังจากตายแล้วจะพึงเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์เพราะกายทุจริตนั้นเป็นเหตุเป็นปัจจัยนี้ไม่ใช่ฐานะไม่ใช่โอกาสที่จะมีได้พระองค์ทรงทราบว่าข้อที่บุคคลผู้มีความพรั่งพร้อมด้วยกายทุจริต หลังจากตายแล้วจะพึงเข้าถึงอบายทุกติวินิบาตนรกเพราะกายทุจริตนั้นเป็นเหตุเป็นปัจจัยนี้แหละเป็นฐานะที่มีได้เป็นได้พระตถาคตในโลกนี้ทรงทราบว่าข้อที่บุคคลผู้มีความพรั่งพร้อมด้วยวจีทุจริตและถึงบุคคลผู้มีความพรั่งพร้อมด้วยมโนทุจริตหลังจากตายแล้วจะพึงเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์ เพราะว่าจีทุจริตและมโนทุจริตนั้นเป็นเหตุเป็นปัจจัยนี้ไม่ใช่ฐานะไม่ใช่โอกาสที่จะมีได้พระองค์ทรงทราบว่าข้อที่บุคคลผู้มีความพรั่งพร้อมด้วยวจีทุจริตบุคคลผู้มีความพรั่งพร้อมด้วยมโนทุจริตหลังจากตายแล้วจะพื้นเข้าถึงอบายทุกติวินิบาตเนรกเพราะวจีทุจริตและมโนทุจริตนั้นเป็นเหตุเป็นปัจจัยนี้แหละเป็นฐานะที่มีได้เป็นได้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 เพราะกายสุจริตนั้นเป็นเหตุเป็นปัจจัยนี้แหละเป็นฐานะที่มีได้เป็นได้พระตถาคตในโลกนี้ทรงทราบว่าข้อที่บุคคลผู้มีความพรั่งพร้อมด้วยวจีสุจริตละถึงบุคคลผู้มีความพรั่งพร้อมด้วยมนุสุจริตหลังจากตายแล้วจะพึงเข้าถึงอบายทุคติวินิบาตนรกเพราะวจีสุจริตและมนุสุจริตนั้นเป็นเหตุเป็นปัจจัย นี้ไม่ใช่ฐานะไม่ใช่โอกาสที่จะมีได้พระองค์ทรงทราบว่าข้อที่บุคคลผู้มีความพรั่งพร้อมด้วยวจีสุจริตบุคคลผู้มีความพรั่งพร้อมด้วยมโนสุจริตหลังจากตายแล้วจะพึงเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์เพราะวจีสุจริตและมโนสุจริตนั้นเป็นเหตุเป็นปัจจัยนี้แหละเป็นฐานะที่มีได้เป็นได้พระทถาคนในโลกนี้ทรงทราบว่า สภาวะธรรมใดๆเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้สภาวะธรรมใดๆเกิดขึ้นสภาวะธรรมนั้นๆเป็นฐานะสภาวะธรรมใดๆไม่เป็นเหตุไม่เป็นปัจจัยให้สภาวะธรรมใดๆเกิดขึ้นสภาวะธรรมนั้นๆไม่เป็นฐานะปัญญากิริยาที่รู้ชัดความไม่หลงความเลือกเฟ้นธรรมสัมมาทิฏฐิในสภาวะธรรมที่เป็นฐานะและสภาวะธรรมที่ไม่เป็นฐานะเหล่านั้นนี้ชื่อว่า พระตถาคตทรงทราบสภาวธรรมที่เป็นฐานะโดยความเป็นฐานะและสภาวธรรมที่ไม่เป็นฐานะโดยความไม่เป็นฐานะตามความเป็นจริง 2. กล ม, มวิปากยาน ปรีชายอย่างรู้ผลของกรรมพระตถาคตทรงทราบผลของกรรมสมาทานที่เป็นอดีตอนาคต hump, และปัจจุบันตามความเป็นจริงโดยฐานะโดยเหตุเป็นไนพระตถาคตในโลกนี้ทรงทราบว่ากรรมสมาทานที่เป็นบาปบางอย่างอันกติสมบัติห้ามไว้จึงไม่ให้ผลก็มีกรรมสมาทานที่เป็นบาปบางอย่างอันอุปติสมบัติห้ามไว้จึงไม่ให้ผลก็มี กรรมสมมาทานที่เป็นบาปบางอย่างอันการและสมบัติห้ามไว้จึงไม่ให้ผลก็มีกรรมสมมาทานที่เป็นบาปบางอย่างอันประโยชน์ค่าสมบัติห้ามไว้จึงไม่ให้ผลก็มีกรรมสมมาทานที่เป็นบาปบางอย่างอาศัยคติวิบัติจึงให้ผลก็มีกรรมสมมาทานที่เป็นบาปบางอย่างอาศัยอุปัิวิบัติจึงให้ผลก็มีกรรมสมมาทานที่เป็นบาปบางอย่างอาศัยกาลวิบัตสจึงให้ผลก็มี กรรมสมาทานที่เป็นบาปบางอย่างอาศัยประโยชน์วิบัติจึงให้ผลก็มีกรรมสมาทานที่เป็นบุญบางอย่างอันคติวิบัติห้ามไว้จึงไม่ให้ผลก็มีกรรมสมาทานที่เป็นบุญบางอย่างอันอุปติวิบัติห้ามไว้จึงไม่ให้ผลก็มีกรรมสมาทานที่เป็นบุญบางอย่างอันกาลวิบัติห้ามไว้จึงไม่ให้ผลก็มีกรรมสมาทานที่เป็นบุญบางอย่าง อันประโยควิบัติห้ามไว้จึงไม่ให้ผลก็มีกรรมสมาทานที่เป็นบุญบางอย่างอาศัยคติสมบัติจึงให้ผลก็มีกรรมสมาทานที่เป็นบุญบางอย่างอาศัยอุปธิสมบัติจึงให้ผลก็มีกรรมสมาทานที่เป็นบุญบางอย่างอาศัยกาลสมบัติจึงให้ผลก็มีกรรมสมาทานที่เป็นบุญบางอย่างอาศัยประโยคสมบัติจึงให้ผลก็มีปัญญากิริยาที่รู้ชัด ความไม่หลงงมงายความเลือกเฟ้นธรรมสัมาทิฐิในกรรมัสมาทานนั้นนี้ชื่อว่าพระตถาคตทรงทราบวิบากของกรรมสมาทานที่เป็นอดีตอนาคตและปัจจุบันตามความเป็นจริงโดยฐานะโดยเหตุสสัพพทักคามินีปฏิปทาญาณปริชาอย่างรู้ทางที่จะนำไปสู่ภูมิทั้งปวง พระตถ า, าคตทรงทราบทางไปสู่ภูมิทั้งปวงตามความเป็นจริงเป็นไฉนพระตถ า, าคตในโลกนี้ทรงทราบว่า Enough. ทางนี้ปฏิปธานี้ให้ไปสู่นรกทรงทราบว่า encaps. ทางนี้ปฏิปธานี้ให้ไปสู่กำเนิดสัติรชานทรงทราบว่าทางนี้ปฏิปธานี้ให้ไปสู่วิสัยแห่งเปรตทรงทราบว่า Either. ทางนี้ปฏิปธานี้ให้ไปสู่มนุษยโลก ทรงทราบว่าทางนี้ปฏิปทานี้ให้ไปสู่เทวโลกทรงทราบว่าทางนี้ปฏิปทานี้ให้ไปสู่นิพพานปัญญากิริยาที่รู้ชัดความไม่หลงงมงายความเลือกเฟ้นธรรมสัมมาทิฐิในทางไปสู่ภูมิทั้งปวงนั้นนี้ชื่อว่าพระสถาคตทรงทราบทางไปสู่ภูมิทั้งปวงตามความเป็นจริงสนานาธาตุยาน ปริชาอย่างรู้สัตว์ที่มีท่าแตกต่างกันพระตถาคตทรงทราบโลกที่เป็นอเนกธาตุและนานาธาตุตามความเป็นจริงเป็นไฉนพระตถาคตในโลกนี้ทรงทราบความเป็นต่างๆการแห่งขันทรงทราบความเป็นต่างๆการแห่งอายตนะทรงทราบความเป็นต่างๆกันแห่งธาตุทรงทราบความเป็นต่างๆการแห่งโลกที่เป็ igual, kel, clarify, นอเนกธาตุและที่เป็นนานาธาตุ ปัญญากิริยาที่รู้ชัดความไม่หลงงมงายความเลือกเฟ้นธรรมสำ ม, มาิทิฏฐิในโลกที่เป็นอเน ก, กธาตุและที่เป็นนาน า, นาธาตุนั้นนิชื่อว่าพระตถาคตทรงทราบโลกที่เป็นอเน ก, กธาตุและที่เป็นนาน า, นาธาตุตามความเป็นจริง น า, นานาที่มุติกระยานปริชายอย่างรู้สัตว์ที่มีอัติยาศัยแตกต่างกันพระตถาคตทรงทราบ ค, ความที่สัตว์ทั้งหลายเป็นผู้มีอัติยาศัยต่างๆกันตามความเป็นจริงเป็นไฉนพระตถาคตในโลกนี้ทรงทราบว่ า, ว า, ส, ส, าสัตว์ทั้งหลายที่มีอัติยาศัยจามก็มีสัตว์ทั้งหลายที่มีอัติยาศัยปราณีก็มีเหล่าสัตว์ที่มีอัติยาศัยจามย่อมคบหาสมาคมเข้าไปหาบ่อยๆ ซึ่งเหล่าสัตว์ที่มีอัิยาศัยสามเหล่าสัตว์ที่มีอัิยาศัยปราณีก็คบหาสมาคมเข้าหาบ่อยๆซึ่งเหล่าสัตว์ที่มีอัิยาสายปราณีแม้ในอดีตการสัตว์ทั้งหลายที่มีอัิยาศัยสามได้คบหาสมาคมเข้าหาบ่อยๆซึ่งเหล่าสัตว์ผู้มีอัิยาศัยสามมาแล้วสัตว์ทั้งหลายที่มีอัิยาสายปราณีก็ได้คบหาสมาคมเข้าหาบ่อยๆ ซึ่งเหล่าสัตว์ที่มีอัิยาสายปราณีมาแล้วแม้ในอนาคตการสัตว์ทั้งหลายที่มีอัิยาสายสามก็จะคบหาสมาคมเข้าหาบ่อยๆซึ่งเหล่าสัตว์ที่มีอัิยาสายสามสัตว์ทั้งหลายที่มีอัิยาสายปราณีก็จะคบหาสมาคมเข้าหาบ่อยๆซึ่งเหล่าสัตว์ที่มีอัิยายปราณีปัญญาเิริยาที่รู้ชัดความไม่หลงงม ง, ง, งายความเลือกเฟ้นธรรม สัมมาทิฐิในความที่สัตว์ทั้งหลายมีอัติยศัยต่างๆกันนั้นนี้ชื่อว่าพระตถาคตทรงทราบความที่สัตว์ทั้งหลายมีอัติยศัยต่างๆกันตามความเป็นจริง 6. อินทริยปรโรปริยติยานปรีชายอย่างรู้สัตว์ที่มีอินทรีย์แก่กล้าและไม่แก่กล้าพระตถาคตทรงทราบความแก่กล้าและไม่แก่กล้าแห่งอินทรีย์ของสัตว์เหล่าอื่น ของบุคคลเหล่าอื่นตามความเป็นจริงเป็นไฉนพระตถาคตในโลกนี้ทรงทราบอาสิยอนุัยจริตอธิมติของสัตว์ทั้งหลายทรงทราบสัตว์ทั้งหลายผู้มีทุลีเคอร ก, กิเล่น้อยมีทุลีเคอร ก, กิเล่มากมีอินทรีย์แก่กล้ามีอินทรีย์อ่อนมีอาการดีมีอาการชั่วแนะนำให้เข้าใจได้ง่ายแนะนำให้เข้าใจได้ยาก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 ห ล, หลังจากตายแล้วตถาคตเกิดอีกก็ใช่เจว่าไม่เกิดอีกก็ใช่หลังจากตายแล้วตถาคตเกิดอีกก็ไม่ใช่เจว่าไม่เกิดอีกก็ไม่ใช่สัตว์ทั้งหลายผู้อาศัยภวะทิฏฐิหรือวิภวะทิฏฐิดังกล่าวมานี้หรือสัตว์ทั้งหลายผู้ไม่เข้าไปอาศัยที่สุดทั้งสองนี้ได้อนุโลมีกัคคันติในสภาวะธรรมทั้งหลายที่เป็นปัจจัยของกันและกันและอาศัยกันและกันเกิดขึ้นก็มี ยานรู้ตามความเป็นจริงนี้ชื่อว่าอาสยะของสัตว์ทั้งหลายอนุสัยของสัตว์ทั้งหลายเป็นไนอนุสัยเจ็ดคือหนึ่งการมราคานุสัยอนุสัยคือการมราคะสองปฏิคานุสัยอนุสัยคือปฏิคะสมานานุสัยอนุสัยคือมานะสทิฐานุสัยอนุสัยคือทิฐิ หวิจิกิจฉานุสัยอนุสัยคือวิจิกิจฉาหภวะราคานุสัยอนุสัยคือภวราคะเจอวิชานุสัยอนุสัยคืออวิชาราคานุสัยของสัตว์ทั้งหลายย่อมนอนเนื่องอยู่ในปิยรูปสาตรูปในโลกปฏิคานุใสของสัตว์ทั้งหลายย่อมนอนเนื่องอยู่ในอัปิยรูปอาสาตรูปในโลกอวิชาตกไปในสภาวะธรรมทั้งสองนี้ ด้วยอาการอย่างนี้มา n ทิ i t i และวิจิกิจฉาพึงเห็นว่าตั้งอยู่ในฐานะแห่งเดียวกันกับอวิชานั้นนี้ชื่อว่าอนุสัยของสัตว์ทั้งหลายเจริตของสัตว์ทั้งหลายเป็นไนปุญญาพิสังขารสภาพที่ปรุงแต่งกรรมฝ่ายดีอปุญญาพิสังขารสภาพที่ปรุงแต่งกรรมฝ่ายชั่วอเนชาพิสังขารสภาพที่ปรุงแต่งพบอันมั่นคง ที่เป็นกลามาวจรภูมิหรือที่เป็นรูปาวจรภูมิและอรูปาวจรภูมินี้ชื่อว่าจริตของสัตว์ทั้งหลายอัติยาศัยของสัตว์ทั้งหลายเป็นไนสัตว์ทั้งหลายที่มีอัติยาศัยซามก็มีสัตว์ทั้งหลายที่มีอัติยาศัยปราณีตก็มีเหล่าสัตว์ที่มีอัติยาศัยซามย่อมคบหาสมาคมก็ไปหาเหล่าสัตว์ที่มีอัิยาศัยซามเหล่าสัตว์ที่มีอัติยาสายปราณี ก็ย่อมคบหาสมาคมเข้าไปหาเหล่าสัตว์ที่มีอัติยสัยปราณีตแม้ในอดีตการสัตว์ทั้งหลายที่มีอัติยสัยสามก็ได้คบหาสมาคมเข้าไปหาเหล่าสัตว์ที่มีอัติยสัยสามมาแล้วสัตว์ทั้งหลายที่มีอัติยศัยปราณีตก็ได้คบหาสมาคมเข้าไปหาเหล่าสัตว์ที่มีอัติยสัยปราณีตมาแล้วแม้ในอนาคตการสัตว์ทั้งหลายที่มีอัติยสัยสามก็จะคบหาสมาคม เข้าไปหาเหล่าสัตว์ที่มีอัติยาศัยจามสัตว์ทั้งหลายที่มีอัติยาศัยปราณีก็จะคบหาสมาคมเข้าไปหาเหล่าสัตว์ที่มีอัติยาสายปราณีนี้ชื่อว่าอัติยาสายของสัตว์ทั้งหลายสัตว์ทั้งหลายที่มีทุลีคือกิเลสในปัญญาจากโสมากเหล่านั้นเป็นไนกิเลสจะวัตถุสิบคือหนึ่งโลภะความอยากได้สองโทสะความคิดประทุษร้าย สมโมหะความหลงสี่มานะความถือตัวหทิฐิความเห็นผิดหวิจิกิจฉาความลังเลสงสัยเจ็ดถีนะความท้อแท้ 8. ปดอุทจจะความฟุ้งซ่านเกาอาหิริกระความไม่ละอายสิบอนโนตปะความไม่เกรงกลัวกิเลสวัตถุสิบเหล่านี้อันสัตว์เหล่าใดซ่องเสกเจริญทําให้มากเพิ่มพูนขึ้นแล้ว สัตว์เหล่านี้นั้นชื่อว่าผู้มีทุลีคือกิเลสในปัญญาจากสูงมากสัตว์ทั้งหลายที่มีทุลีคือกิเลสในปัญญาจากสูน้อยเหล่านั้นเป็นไนกิเลสจากวัตถุสิบเหล่านี้สัตว์เหล่าใดไม่ส่องเสดไม่เจริญไม่ทําให้มากไม่เพิ่มพูนขึ้นแล้วสัตว์เหล่านี้นั้นชื่อว่ามีทุลีคือกิเลสในปัญญาจากสูน้อยสัตว์ทั้งหลายที่มีอินทรีย์อ่อนเหล่านั้นเป็นไน อินทรีห้าคือหนึ่งสัตตินทรีอินทรียคือศรัทธาสองวิริอินทรียอินทรียคือวิริยะสามสติินทรีอินทรีย์คือสติสี่สมาทรีอินทรีย์คือสมาธิหปัญญทรีอินทรีย์คือปัญญาอินทรีห้าเหล่านี้อันสัตว์เหล่าใดไม่ส่องเสกไม่เจริญไม่ทําให้มากไม่ทําให้เพิ่มพูนขึ้นแล้วสัตว์เหล่านี้นั้นชื่อว่า ผู้มีอินทรีย์อ่อนสัตว์ทั้งหลายที่มีอินทรีย์แก่กล้าเหล่านั้นเป็นไฉไอินทรีย์ห้าเหล่านี้อันสัตว์เหล่าใดซ่องเสบเจริญทำให้มากเพิ่มพูนขึ้นแล้วสัตว์เหล่านี้นั้นชื่อว่าผู้มีอินทรีย์แก่กล้าสัตว์ทั้งหลายผู้มีอาการชั่วเหล่านั้นเป็นไฉไรสัตว์เหล่านั้นใดมีอาสวะชั่วมีอนุสัยชั่วมีจริตชั่วมีอัธยาศัยชั่ว มีธุลีคือกิเลสในปัญญาจากสุมากมีอินทรีย์อ่อนสัตว์เหล่านี้นั้นชื่อว่าผู้มีอาการชั่วสัตว์ทั้งหลายผู้มีอาการดีเหล่านั้นเป็นไนสัตว์เหล่านั้นใดที่มีอาชยาดีมีจริตดีมีอัธยาศัยดีมีธุลีคือกิเลสในปัญญาจากสุน้อยมีอินทรีย์แก่กล้าสัตว์เหล่านั้นนี้ชื่อว่าผู้มีอาการดี สัตว์ทั to, Although, ้งหลายผู้ที่แนะนําให้เข้าใจได้ยากเหล่านั้นเป็นไนก็สัตว์เหล่าใดมีอาการชั่วสัตว์เหล่านั้นแลชื่อว่าผู้แนะนําให้เข้าใจได้ยากส่วนสัตว์เหล่าใดมีอาการดีสัตว์เหล่านั้นแหลชื่อว่าผู้แนะนําให้เข้าใจได้ง่ายสัตว์ทั้งหลายผู้ไม่ควรบรรลุธรรมเหล่านั้นเป็นไนสัตว์เหล่านั้นใดประกอบด้วยเครื่องกลางกั้นคือกรรมประกอบด้วยเครื่องกลางกั้นคือกิเลส ประกอบด้วยเครื่องกลางกั้นือวิบากเป็นผู้ไม่มีศรัทธาไม่มีชันทะมีปัญญาสามไม่ควรที่จะยังลงสู่มรรคคือสัมมตนิยามในสภาวะธรรมที่เป็นกุศลทั้งหลายสัตว์เหล่านี้นั้นชื่อว่าผู้ไม่ควรบรรลุธรรมสัตว์ทั้งหลายผู้ควรบรรลุธรรมเหล่านั้นเป็นชนัยสัตว์เหล่านั้นใดไม่ประกอบด้วยเครื่องกลางกาั้นเคือกรรมไม่ประกอบด้วยเครื่องกลางกาั้นคือกิเลส ไม่ประกอบด้วยเครื่องกลางกั้งเคววิบากมีศรัทธามีฉันทะมีปัญญาควรที่จะอย่างลงสู่มักืคสัมมัตตนิยามในสภาวะธรรมที่เป็นกุศลทั้งหลายสัตว์เหล่านี้นั้นชื่อว่าผู้ควรบรรลุธรรมปัญญากิริยาที่รู้ชัดความไม่หลงงมงายความเลือกเฟ้นธรรมสำ ม, มาทิฐิในความแก่กล้าและไม่แก่กล้าแห่งอินทรีย์ของสัตว์ทั้งหลายนั้นน้ชื่อว่าพระตถาคต ทรงทราบความแก่กล้าและไม่แก่กล้าแห่งอินทรีย์ของสัตว์เหล่าอื่นของบุคคลเหล่าอื่นตามความเป็นจริงเจ็ดชาณาธิสังกิเลสาธิยาน วิชาอย่างรู้ความเศร้าหมองผ่องแผ้วและการออกจากฌานเป็นต้นตามเป็นจริงพระตถาคตรทรงทราบความเศร้าหมองความผ่องแผ้วแห่งฌานวิโมกสมาธิสมาบัติและความออกจากฌานเป็นต้นนั้นตามความเป็นจริงเป็นไฉนโยคาวจรบุคคลผู้เจริญฌานสี่จำพวกชื่อว่าชายีคือโยคาวจรบุคคลผู้เจริญฌานบางคนสำคัญฌานที่ตนได้แล้วนั่นแหละ ผิดจากว่ายังไม่ได้ก็มีโยคาวจรบุคคลผู้เจริญฌานบางคนสำคัญฌานที่ตนยังไม่ได้นั่นแหละผิดไปว่าได้แล้วก็มีโยคาวจรบุคคลผู้เจริญฌานบางคนสำคัญฌานที่ตนได้แล้วนั่นแหละว่าได้แล้วก็มีโยคาวจรบุคคลผู้เจริญฌานบางคนสำคัญฌานที่ตนยังไม่ได้นั่นแหละว่ายังไม่ได้ก็มีเหล่านี้ชื่อว่า โยคาวจรบุคคลผู้เจริญฌานสี่จำพวกโยคะวจรบุคคลผู้เจริญฌานอีกสี่จำพวกคือโยคาวจรบุคคลผู้เจริญฌานบางคนเข้าฌานได้ช้าแต่ออกได้เร็วก็มีโยคะวจรบุคคลผู้เจริญฌานบางคนเข้าฌานเร็วแต่ออกช้าก็มีโยคะวจรบุคคลผู้เจริญฌานบางคนเข้าฌานได้ช้าและออกช้าก็มี โยค you um. well. <te> าวจรบุคคลผู้เจริญฌานบางคนเข้าฌานได้เร็วและออกได้เร็วก็มีเหล่านี้ชื่อว่าโยคาวจรบุคคลสี่จำพวกโยคะวจรบุคคลผู้เจริญฌานอีกสี่จำพวกคือโยคะวจรบุคคลผู้เจริญฌานบางคนเป็นผู้ฉลาดในการกำหนดสมาธิในสมาธิแต่ไม่ฉลาดในการกำหนดสมาบัติในสมาธิก็มีโยคาวจรบุคคลผู้เจริญฌานบางคน เป็นผู้ฉลาดในการกำหนดสมาบัติในสมาธิแต่ไม่ฉลาดในการกำหนดสมาธิในสมาธิก็มีโยคาวจรบุคคลผู้เจริญชาญบางคนเป็นผู้ฉลาดในการกำหนดสมาธิในสมาธิและฉลาดในการกำหนดสมาบัติในสมาธิก็มีโยคาวจรบุคคลผู้เจริญชาญบางคนเป็นผู้ไม่ฉลาดในการกำหนดสมาธิในสมาธิไม่ฉลาดในการกาหนดสมาบัติในสมาธิก็มี เหล่านี้ชื่อว่าโยคาวจรบุคคลผู้เจริญฌานสี่จำพวกคำว่าฌานได้กแก่ฌานสี่คือปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานจะตุทฌานคำว่าวิโมกได้กแก่วิโมกแปคือโยคาวจรบุคคลผู้ได้รูปฌานโดยทําบริกรรมในรูปภายในตนย่อมเห็นรูปทั้งหลายนี้ชื่อว่าวิโมกข้อที่หนึ่ง โยคาวจรบุคคลผู้ได้อรูปฌานโดยทำบริกรรมในรูปภายในตนย่อมเห็นรูปทั้งหลายในภายนอกตนนี้ชื่อว่าวิโมข้อที่สองโยคาวจรบุคคลเป็นผู้น้อมจิตไปว่างามแท้นี้ชื่อว่าวิโมข้อที่สามเพราะก้าวล่วงรูปสัญญาได้โดยประการทั้งปวงเพราะความดับไปแห่งปฏิฆะสัญญาและเพราะไม่ได้มนตรการซึ่งนานาตสัญญา โยคาวจรบุคคลจึงบรรลุอากาศสารนัญจายตนะฌานโดยบริกรรมว่าอากาศไม่มีที่สุดดังนี้อยู่นี้ชื่อว่าวิโมข้อที่สี่เพราะก้าวล่วงอากาศสานัญจายตนะได้โดยประการทั้งปวงโยคาวจรบุคคลจึงบรรลุวิญญาณัญจายตนะฌานโดยบริกรรมว่าวิญญาณไม่มีที่สุดดังนี้อยู่นี้ชื่อว่าวิโมข้อที่ห้า เพราะเก้าล่วงวิญญาณัญจายาตนะได้โดยประการทั้งปวงโยคาวจรบุคคลจึงบรรลุอาคินจัญญายาตนะชานโดยบริกรรว่าอะไรอะไรก็ไม่มีดังนี้อยู่นี้ชื่อว่าวิโมข้อที่หเพราะเก้าล่วงอากินจัญญาญตนะได้โดยประการทั้งปวงโยคาวจรบุคคลจึงบรรลุเนวสัญญานาสัญญายาตนะชานอยู่นี้ชื่อว่าวิโมข้อที่เจ็ เพราะกล้าล่วงในวสัญญานาสัญญาญาตนะได้โดยประการทั้งปวงโยคาวจรบุคคลจึงบรรลุสัญญาเวทยิตนิโรธอยู่น้ชื่อว่าวิโมข้อที่8คําำว่าสมาธิได้แก่สมาธิสามคือหนึ่งสวิตตกะสวิจารสมาธิสมาธิที่มีทั้งวิตกและวิจารสอ -2. อวิตักะวิจารปัตตสมาธิ สมาธิที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจารสามอวิตักกะอวิจาระสมาธิสมาธิที่ไม่มีทั้งวิตกและวิจารคําว่าสมาบัติได้แก่อนุปุปภวิหารสมาบัติก้าคลื่อหนึ่งปฐมชาณสมาบัติสองทุติยชานสมาบัติสตติยชานสมาบัติสี่เจตุทัชานสมาบัติห้า อากาสานัญจายตนสมาบัติ6วิญญาณัญญาตนาสมาบัติเจอาจินัญญายตนสมาบัติ 8. เนวสัญญานาสัญญายตนสมาบัติ9สัญญาเวทยียทินิโรธาสมาบัติบทว่าความเศร้าหมองได้แก่สภาวธรรมที่เป็นฝ่ายเสื่อมบทว่าความผ่องแผ้วได้แก่สภาวธรรมที่เป็นฝ่ายคุณวิเศษ บทว่าความออกได้แก่แม้ความผ่องแผ้วก็ชื่อว่าความออกแม้ความออกจากสมาธินั้นๆก็ชื่อว่าความออกปัญญากิริยาที่รู้ชัดความไม่หลงงมงายความเลือกเฟ้นธรรมสัมมาทิฐิในความเศร้าหมองความผ่องแผ้วความออกจากฌานนี้ชื่อว่าพระตถาคตทรงทราบความเศร้าหมองความผ่องแผ้วแห่งฌานวิโมกสมาธิสมาบัต และความออกจากฌานเป็นต้นนั้นตามความเป็นจริง